การฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาความรู้ที่เราไม่รู้กันเป็นการเจริญปัญญาคือความรู้ความฉลาดปัญญาแบบนี้เรียกว่าสุตตมยาปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการ ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอันนี้เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเรามาฟังเทศฟังธรรมเรามาฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์เรื่องของต้นเหตุของความทุกข์ เรื่องของความดับทุกข์และเรื่องของวิธีการที่จะดับความทุกข์อันนี้เป็นปัญญาอย่างหนึ่งคือเป็นการได้รับความรู้จากผู้ที่รู้ผู้ที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟัง ก็จะรู้ตามแล้วถ้านำเอาไปค่้ควรพิจารณาเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า จินตาไมยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการค่อยควรพินิษพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมและจะได้มีความเข้าออเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ปัญญาชนิดที่สาม เรียกว่าภาวนาเมายปัญญาอันนี้เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสมาธิความสงบของใจคือความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้นำมาไข้กวนพิณิพิจญ า, า น, านี้เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ดับความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้เพราะใจของเราไม่มีกําลังพอที่จะทําลายเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆด้วยความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังและความรู้ที่เกิดจากการค่อยๆพิณิพิจารณาอยู่เนืองๆ ยังไม่มีกําลังพอที่จะดับความทุกข์ด้วยการละเหตุของความทุกข์คือความอยากสามชนิดด้วยกันได้แก่กามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาความอยากทั้งสามชนิดนี้จะละได้ก็จําเป็นที่จะต้อง มีสมาธิประกอบด้วยปัญญาคือมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาปัญญาก็จะสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เป็นของ เราไปได้อยากได้อะไรก็จะไม่สามารถเก็บสิ่งที่ได้ไว้ไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพรากจากกันพอมีการพัดพรากจากกันความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเวลาที่ เราพลาดภาคจากสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักเราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะหยุดความอยากที่จะไปเอาสิ่งที่เราอยากได้กันเราก็เลยไปทำตามความอยากกันไปเอาสิ่งที่เราอยากได้ ไปเอาบุคคลที่เราอยากได้มาเป็นของเรามาให้ความสุขกับเราแต่พอสิ่งที่เราได้มาหรือคนที่เราได้มาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ความเศร้าโศกเสียใจอาลอย์อวอนก็จะเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นความทุกข์นี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สอนพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้แต่เรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้เรายังไปเอาสิ่งที่เป็นทุก สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรามาให้ความสุขกับเราไม่ช้าก็เร็วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะว่าทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่เราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากที่จะได้สิ่งที่ เป็นทุกสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่จะเป็นของเราได้เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนั่นเองดังนั้นปัญญาจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้จะต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนดังที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าปัญญาที่สมาธิ อบรมได้ดีแล้วปัญญาที่สมาธิได้สนับสนุนจะเป็นปัญญาที่มีคุณมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้จิตที่มีปัญญาแบบนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองนี่คือปัญญาชนิดที่สามคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ ผสมกับสมาธิภาวนาก็แปลว่าสมะถะภาวนาปัญญาก็คือสุ ต, ตะและจินตามายปัญญาเมื่อมีสองชนิดนี้รวมกันมีทั้งสมะถะภาวนาคือมีสมาธิความสงบมีอุเบกขาและมีปัญญาที่สอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข เพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงจะต้องมีวันพัดพาคจากเราไปถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์แล้วเรามีสมาธิมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้เราก็ไม่ต้องเราก็จะไม่ไปทําตามความอยากเราก็จะสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆรู้ว่าสิ่งที่ ตันหาอยากได้นั้นเป็นทุกข์ก็เลยไม่ไปทำอะไรไม่ไปเอามาครอบครองไม่เอามาเป็นสมบัติปล่อยให้เขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาเราไปเอาทุกข์เข้ามาใส่ใจเราทำไมเหมือนกับคำที่พูดว่าเอาเอาเหามาใส่หัวทำไม หัวเราสะอาดอยู่ดีๆไปเอาเฮามาใส่หัวให้มันสกปกทาไมให้มันคันทำไมแต่ที่เราหยุดเอาเสาเอาเฮามาใส่หัวกันไม่ได้ก็เพราะเราหยุดความอยากกันไม่ได้เราไม่มีกำลังสู้ความอยากความอยากมันเลยดึงให้เราไปเอาสิ่งต่างๆมาให้เราหนักหกหนักใจกัน ให้เรามาทุกข์ใจกันให้เรามาร้องห่มร้องไห้กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราไม่อยากที่จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเราก็ต้องมาเจริญปัญญาชนิดที่สามนี้ตอนนี้เรากำลังเจริญปัญญาชนิดที่หนึ่งคือสุตตะมยะปัญญาคือความรู้เกี่ยวกับความทุกข์ ความรู้เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นความรู้ว่าทุกข์นี้ดับได้และเหตุที่ทำให้ทุกข์นี้ดับได้คืออะไรก็คือปัญญานี่เองคือสติสมาธิปัญญาเพราะจะต้องมีสมาธิสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีสติเมื่อมีสติก็จะทำให้ใจสงบ เป็นสมาธิได้เมื่อมีสมาธิแล้วพอเอาปัญญามาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราใจก็จะปล่อยวางใจก็จะไม่ไปยึดไปติดไปอยากได้อะไรต่างๆมาเป็นของเราว่ามันเป็นไปไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียก็จะทุกข์ เลีย้ยสู้อย่าไปเอามาดีกว่าสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆกับความสงบมีความสุขมากกว่าเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ถ้าเรียกว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็ได้ความสงบนี้เป็นนิจจังเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราอย่างถาวรไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเป็นของเราไปตลอดอยังเรียกว่านิจังสุขขังอัตตาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เรา หลงกันไปคิดว่าเป็นความสุขเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงเกล็ดรถต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันจึงทําให้เราทุกข์กันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันต้องจากเราเราต้องจากมัน ยังเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาอัตตาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเป็นนิจจังสุขขังอัตตาให้เราเพื่อเราจะได้เลิกไปยุ่งเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมายุ่งเกี่ยวกับนิจจังสุขขังอัตตา อนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสิ่งต่างๆสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นลาบยศสะละเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะร่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดของเราของเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปยึดไปติดไปอยากได้ไปอยากมีสิ่งที่เป็นนิจจังนิจจังสุขขังอัตตา ก็คือความสงบที่เกิดจากการเจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งจนจิตได้รวมเข้าสู่สมาธิเป็นสักแต่ว่ารู้หรือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาคือความเป็นกลางของใจใจที่ปราศจากอาคติทั้งสี่คือ รักชังกลัวหลงอันนี้เกิดจากการหยุดความคิดปรุงแต่งของใจเมื่อใจหยุดใจก็จะนิ่งสงบแล้วความรักความชังความกลัวความหลงต่างๆก็จะหายไปจากใจจะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้และความสุขที่ได้จากความสงบแต่มันเป็นความสงบเป็นความสุข เชือในขณะที่ใจสงบตั้งอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกอยากสมาธิมาความสุขนนี้ก็จะถูกทําลายไปถ้าเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดการมัตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะถ้าเกิดก า, ารภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นต่างๆ ถ้าเกิดวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างๆความเป็นกลางของใจความปราศจากความรักชังกลัวหลงก็จะหายไปความรักความชังความกลัวความหลงก็จะเกิดขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ไม่ให้เกิดความรักชังกลัวหลง ไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกบินกายคือรูปเสียงกลิ่นรสปศพะและร่างกายและความรู้สึกนึกคิดของใจนี่ ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นไม่ควรที่จะไปอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่ควรที่จะไปมีความอยากกับสิ่งเหล่านี้ให้กลับมาหยุดให้หยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ถ้าหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบใจก็จะ นิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้ปราศจากความรักชังกลัวหลงอันนี้เรียกว่าปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็จะเป็นภาวนามายปัญญาที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้เวลาเกิดการมตัญหาก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นสิ่งที่การมาตัิหาอยากได้คือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นบบุคคลนั้นบุคคล น, น, น, คค น, นี้ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก็ต้องพิจารณาความไม่สะอาดความสกปรกของอาหารเวลาที่เข้าไปสัมผัสกับ น้ำลายในปากหรือเวลากลืนเข้าไปในท้องหรือเวลาที่ถ่ายออกมาก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าขยะขยะงไม่น่ารับประทานก็จะทําให้ละความอยากในการรับประทานอาหารได้ถ้าเห็นบุคคลที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ครองเห็นว่าเป็นไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่ากลัว เราก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นคู่ครองของเราเราก็ต้องดูความน่าเกลียดน่ากลัวของร่างกายเช่นดูเข้าไปภายในภายใต้ผิวหนังดูอาการต่างๆอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้ อ, อกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เยในสมองศีสันน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและน้ำมูดนี่คือส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ที่เรามองไม่เห็นกันเพราะถูกผิวหนังนี้ครอบปกคุมเอาไว้จึงทํำให้ ให้ไม่เห็นส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมของร่างกายจึงทำให้เราหลงไหลข้างครกับร่างกายว่าสวยว่างามนี่คือการเจริญปัญญาเพื่อจะละความอยากในร่างกายของผู้อื่นอยากได้ร่างกายของผู้อื่นมาเสพแต่พอเห็นว่าเป็นเหมือนซากศพ เป็นมีอาการ32มีอาการต่างๆที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกเช่นตับไตไส้พุงต่างๆถ้าเห็นแล้วความอยากจะได้เขามาร่วมหลับนอนมาเป็นสมบัติก็จะหายไปจนเวลาคู่ครองตายไปนี้ก็ไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านอีกแล้ว ยกให้วัดยกให้สับปเลอะไปเพราะเห็นว่าเป็นซากศพไปเสียแล้วแต่ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่กลับมองไม่เห็นว่าเป็นซากศพทั้งๆ ท, ที่ก็เป็นร่างกายอันเดียวกันแต่พอไม่หายใจเท่านั้นกลายเป็นซากศพไปทันทีกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปทันทีน่าเกลียดน่ากลัวไปทันทีเราต้องเอา ความรู้สึกนี้มาใช้สอนใจในเวลาที่เกิดการอารมณ์ต่างๆว่าเรากำลังไปหลงรักกับสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่เราจะไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านเราถ้าเขาไม่มีลมหายใจแล้วเราจะไม่ให้เขาอยู่บ้านเราโดยเด็ดขาดเราจะส่งไปที่วัดให้สัตว์ปรหลาดจัดการชาวปนกิจให้ นี่คือการพิจารณาอาสุภะการเจริญปัญญาเพื่อละกามตัญหานะถ้าเราอยากได้อะไรอย่างอื่นก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากเราไปพอไม่มีเขาเราก็ทุกข์อีกเราก็ต้องหามาทดแทนอยู่เรื่อยๆเช่นรูปเสียงกลื่นรถต่างๆที่เราไปดูไปฟังไปสัมผัส พอเราได้สัมผัสเราก็มีความสุขพอเราไม่ได้สัมผัสความสุขนั้นก็หายไปเราก็ต้องไปหาใหม่เช่นเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็จะได้รับความสุขจากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ต่างๆเวลานั้นเราก็มีความสุขกันแต่พอเรากลับมาบ้านเออ รูปเสียงกินรถของสถานที่เหล่านั้นก็หมดไปใจของเราก็กลับมาว้าวเวเหมือนเดิมก็จะก็เกิดความอยากที่จะกลับไปเสพใหม่กลับไปเที่ยวใหม่เที่ยวกี่ครั้งก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เที่ยมมันไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ถ้าอยากจะได้ความสุขอีกเหล่านี้อีกก็ต้องกลับไปเสดอีกแล้วก็จะต้องมีโอกาสที่จะเสดไม่ได้เช่นไม่สามารถออกไปเที่ยวได้อาจจะไม่มีเงินทองหรืออาจจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่พร้อมที่จะไปเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไป การจะเสพความสุขเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเสพได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาทุกทรมานใจขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอสุภะให้เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารที่น่ารับประทานเพราะเราไปมองในขณะที่มันอยู่ในจาน เราไม่ไปมองมันในขณะที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่มันถ่ายออกมาอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาการที่จะเจริญปัญญาเหล่านี้ได้นั้นถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีความสามารถที่จะเจริญได้เพราะเวลาไม่มีสมาธินี้กิเลสตัณหาความอยากต่างๆนี้ จะมีกําลังมากจะต่อต้านจะไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะดึงให้ไปคิดถึงเรื่องการหาลาบยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันและเมื่อไม่ได้พิจารณาก็จะไม่จดไม่จำพอเกิดความอยากในสิ่งต่างๆก็เลยไม่สามารถที่จะเอาปัญญานี้ออกมาสอนใจ ให้หยุดทำตามความอยากได้ก็เลยไปทำตามความอยากแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งที่ได้มาทุกข์ทั้งขณะที่ไปเอาไปหามาทุกข์ทั้งในขณะที่ได้มาทุกข์ทั้งในขณะที่เสียไป เ, ยเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญา ที่จะสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากถ้ามีแต่ไม่มีกำลังไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถหยุดความอยากได้เช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องมีทั้งสองอยา่างมีสมาธิมีกำลังที่จะฝืนความอยากและมีปัญญาที่สอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากสอนใจว่าการทำตามความอยากนั้นเป็นการนำไปสู่ความทุกข์ นำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันจบวันสิ้นจะต้องหาไปเรื่อยๆร่างกายนี้ตายไปก็ยังไปหาต่อ ก, กลับมาเกิดใหม่ต่อเพื่อที่จะได้มีร่างกายไว้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปใจก็จะต้องหมุนเวียนไปกับการเกิดแก่เจ็บตายไปหลายๆรอบด้วยกัน เกิดแก่เจ็บตายรอบนี้แล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายรอบต่อไปแล้วก็ต่อไปต่อไปเรื่อยๆถ้ายังไม่สามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้คือหยุดกามตัานหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาได้ถ้าไม่มีปัญญาและสมาธิเป็น คู่ต่อสู้เป็นเครื่องมือไว้ต่อสู้กับตันหาความอยากมีปัญญาที่ไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าความอยากการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขต้องมีทั้งสองอยา่างมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญา ถึงจะสามารถที่จะละตัณหาความอยากและหยุดความทุกข์ต่างๆได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือปัญญาที่สมบูรณ์ปัญญาขั้นที่หนึ่งที่สองนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นปัญญาที่สมบูรณ์เป็นปัญญาที่ยังขาดสมาธิยังไม่มีสมาธิยังไม่สามารถที่จะดับความทุก ละตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ยังต้องมาเจริญสมาธิกันมาเจริญสติกันก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถหยุดความคิดปรงแต่งต่างๆได้ถ้าไม่สามารถหยุดความคิดปรงแต่งต่างๆได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ใจก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆ หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเหมือนกันยังเรียกว่ากายกตาสติถ้าใช้คำบริกรรมพุทธก็เรียกว่าพุทธานุสติคือการเจริญสติด้วยพุทธก็เรียกว่าพุทธานุสติการเจริญสติด้วยการเฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติ ถ้าดูการหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอนาปนสตินี่คือการเจริญสติด้วยวิธีต่างๆที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาและพอใจมีความสงบมีสมาธิแล้วถ้ามีปัญญาที่สอนใจยอยู่ว่าการทำตามความอยางนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์ การไม่ทำตามความอยากทั้งสามนี้ต่งหาที่จะเป็นการดับความทุกข์พอใจรู้ว่าถ้าต้องการจะดับความทุกข์ก็ต้องละกามตัณหาละภาวะตัณหาละวิภาวะตัณหาเวลาที่เกิดกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาปัญญาก็บอกใจว่าอย่าไปทำตาม อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็อย่าไปอย่าไปดูอยากจะเป็นอะไรก็อย่าไปเป็นอยากจะมีอะไรก็อย่าเป็นมีพอไม่ทำตามความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจตามมาใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบที่เกิดจากการควบคุมความคิดปรุงแต่งควบคุมความอยากต่างๆให้สงบตัวลง พอความคิดสงบตัวลงความอยากสงบตัวลงใจก็เกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาทันทีนี่เป็นวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรสร้างด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดตัณหาความอยากที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจคือการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากที่ไม่เป็นพิษ แต่เป็นคุณกับใจนี้ไม่ต้องหยุดเช <Yeah. S 1> ่นความอยากจะฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นความอยากที่ดีความอยากทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นความอยากที่ดี <Yeah. S 1> ทำไปแล้วจะทำให้ใจมีความสุขทำไปแล้วจะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ความอยากเหล่านี้ไม่ได้ห้ามให้ทำได้ห้ามเพียงความอยากในรูปเสียงกลิน่นรส ห่ามความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากมีลาภยศสรเสริญสุขอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยและความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือความอยากไม่จนอย่างนี้เป็นความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจความอยากเราทั้งสามนี้ต้องหยุดแต่ความอยากที่ดีก็ต้องทำ เพื่อที่เราจะได้ทำลายความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจการอยากฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่จะเอามาใช้ในการทำลายความอยากต่างๆนั่นเองการอยากนั่งสมาธิก็เพื่อที่จะสร้างพลังให้แก่ใจสร้างพลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ ความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่ได้เรียกว่าตัณหาเรียกว่าฉันทะนะฉันทะคือความยินดียินดีในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจส่วนตัณหานี้ความอยากที่เป็นโทษกับจิตใจดังนั้นขอให้เราเข้าใจความหมายของความอยากว่ามันมีสองแบบด้วยกัน ความอยากที่เป็นคุณเรียกว่าฉันทะที่เป็นองค์ประกอบของอิทธิบาทสฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้ามีฉันทะมีความอยากจะฟังเทศฟังธรรมก็จะมีความขยันที่จะไปฟังมีความมีใจจดจอ่อกับการฟังใจคิดอยู่กับเรื่องของการฟังธรรมอันนี้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆเข้าก็จะ ได้ความรู้ได้รู้ว่าอะไรกันเหตุของความทุกข์และอะไรที่จะมาดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้เมื่อรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องเจริญสมาธิถ้ายังไม่มีปัญญายังมองไม่เห็นอสุภะยังมองไม่เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารยังมองไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนกาจะเห็นเมื่อเห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ใจก็จะไม่อยากที่จะไปได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะเป็นอะไรแต่จะหยุดได้ไม่หยุดหรือหยุดไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่ถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นทุกข์แต่ใจก็ยังสู้ความอยากที่จะไปทําตามความอยากไม่ได้งั้นก็ต้องหมั่นเจริญสติ ให้มากเพื่อทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นสมาธิให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงแล้วใจจะมีความสุขอยู่กับความสงบพอเกิดตันหาความอยากขึ้นมาความสงบนั้นก็จะถูกทำลายไปถ้าไม่กําจัดความอยากแต่ถ้าพอเกิดความอยากขึ้นมา แล้วใช้ปัญญาสกัดกั้นมันทำลายมันไปพอมันหายไปความสงบ ก, ก็จะกลับคืนมาใหม่ความสุขที่ได้จากความสงบ ก, ก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบไปอย่างถาวรใจก็จะสุขไปอย่างถาวร ที่เรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังนิพพานก็คือใจที่ปราศ จ, จากความอยากต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจคือปราศ จ, จากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อหลุดพ้นแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไป ไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญสติไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาปัญญาเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นการทำเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วการกระทําเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นเหมือนกับการรับประทานยาเพื่อรักษาโาครคภัยไข้เจ็บ เวลามีโครคภัยไข้เจ็บเราก็รับประทานยากันเพื่อจะได้เอายาไปทำทลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาพอเชื้อโรคต่างๆหมดไปจากใจรหมดไปจากร่างกายแล้วความโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆหายไปหมดการที่จะต้องรับประทานยาก็หมดไปไม่มีความจำเป็นจะต้องรับประทานยาอีกต่อไป รับประทานหรือไม่รับประทานก็มีผลเท่ากันก็ไปรับประทานให้เสียเวลาทำไมผู้ที่ได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วผู้ที่ได้บรลมัสุขคืคอบามังสุขขังแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอจเจริญสติไม่มีความจำเป็นที่จะนั่งนั่งสมาธิไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจเจริญปัญญาอีกต่อไป ก็ไม่มีอะไรที่จะเอาไปทําลายแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาทาลายก็ไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทำอีกต่อไปใจก็ว่างตะไปตลอดว่างจากภารกิจการงานยึมมีแต่การสวยความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้มา ศึกษาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์เรื่องของต้นเหตุของความทุกข์เรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์และเรื่องของการที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ว่าทำอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะสามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้นี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการที่เรามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันเรียกว่าเป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อรู้แล้วเราก็นาเอาไปปฏิบัติและค่ายควรอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างถ้าเราไม่ไปค่ายควรเดี๋ยวเราก็ลืม เราจึงต้องใครขวนว่าเราต้องมาเจริญสติกันมาปีกวิเวกันมาทาใจให้สงบกันมาสอนใจให้เห็นไตรลักษณ์สอนใจให้เห็นอสุภะสอนใจให้เห็นความเป็นปฏิกูรณ์ของอาหารเมื่อเราสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราออกมาปฏิบัติตามที่เราได้สอนใจเตือนใจเรามาปีกวิเวกันเรามาเจริญสติกัน เรามานั่งสมาธิทาใจให้สงบกันเรามาพิจารณาตายรักกันพิจารณาอาสุภะกันพิจารณาความเป็นปฏิกลของอาหารกันเราก็จะมีปัญญาและมีสมาธิที่จะมาทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอเราทาลายความอยากต่างๆหมดไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไป หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเหตุที่นำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาทั้งสามนี้ได้ถูกทําลายไปหมดแล้วเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีเหตุแล้วภพชาติก็เลยไม่มีการเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายตามมาไม่มีการพัดพลาดจากการตามมา ความทุกข์ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดสิ้นไปแต่สิ่งที่ไม่หมดก็คือใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆใจที่หลุดพ้นนี้ก็ยังอยู่อยู่ด้วยความสุขที่เรียกว่าบรมมะสุขนี้เองปรมังสุขขังอย่าไปคิดว่าปฏิบัติไปแล้วพอบรรลุแล้วใจจะอันตรธานหายไปอันนี้ไม่ใช่ใจก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่อยู่ในรูปแบบหนึ่งอยู่ในรูปแบบของความสุขไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของความทุกข์ที่เกิดจากการไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนใจของพวกเราที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าพวกเราได้ปฏิบัติกันจนสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบไม่มีความทุกข์อยู่แบบมีความสุขเพียงอย่างเดียว ใจของเรานี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่สกปรกเสื้อผ้าที่เราใส่เวลามันสกปรกเราก็ต้องเอาไปซักเอาไปล้างกันเวลาเราไปซักไปล้างเราก็เอาไปชำระเอาวเอาสิ่งสกปร ก, กออกจากเสื้อผ้าไปแต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปจากการชำะระซักล้างเสื้อผ้าก็ยังอยู่แต่เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดขาวสะอาดบริสุทธิ์น่าสวนใส่ต่างกับเสื้อผ้าที่สกปรก ใจก็เหมือนเสื้อผ้าตอนนี้สกรปรกด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงสกรปรกด้วยความอยากต่างๆพอเราเอาธรรมคำของพระพุทธเจ้ามาชำระมาซักพอกสิ่งสกรปรกต่างๆก็หายไปหมดกิเลสตัณหาก็หายไปหมดแต่ใจไม่ได้หายไปกับการซักพอกใจก็ยังอยู่จะอยู่ที่อยู่ในสภาพที่ดีกว่าก่อนที่ได้รับการซักพอก ขณะที่ยังไม่ได้รับการซักพอ้อนี้ใจยังมีแต่ความหดหู่มีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงามีแต่ความ ว, าว้าเหวมีแต่ความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆเอานำมาไปซักพอ้อปับ๊บความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ก็หายไปหมดจากใจเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วแล้วรู้ว่าเราจะต้องมาชำระใจของเราถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราชำระกันพอเราชำระได้แล้วใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่น่ารักที่มีแต่ความสุขให้กับเราเพียงอย่างเดียว และจะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ใจเปื่อเปื้อนได้ต่อไปเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาทําให้ใจเศร้าโศกหรือเปื่เปื้อนนี้ได้ถูกทําลายด้วยการชำระของพระธรรมของพระธเจ้าแล้วนั่นเองนี่แหละคือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกัน เมื่อฟังแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือนำเอาไปปฏิบัติเอาปัญญาที่เราได้ยินเอาความรู้ที่เราได้ยินไปค่ายควรไปคอยเตือนใจสอนใจเพื่อให้เราให้ให้รู้ว่าเราจะต้องทาอะไรกันถ้าเราไม่เอามาค่ายควรมาพิจารณาเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วเราก็จะไปทาตามความอยากเหมือนที่เราเคยทำมาแล้วเราก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆ ถ้าเราเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเอามาคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าต่อไปนี้เราไปทําตามความอยากต่างๆไม่ได้แล้วเราต้องไปปลีกวิเวกแล้วเราต้องไปหาที่สงบไปหาที่เจริญสติเพื่อทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้เพราะเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราจะได้เอาความรู้ที่เราได้จากพระพุทธเจ้านี้มาทําลายความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปนั่นเองพอเราได้ทำตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วเดี๋ยวเราก็ได้รับผลสำเร็จจากการปฏิบัติเพราะผลเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นผลไม่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังผลเกิดจากการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย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 ท่านที่มีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าขออนุญาตหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ตอบปัญหาอีกถ้าใครอยากจะถามก็ถามตอนนี้ถ้าต้องการคําตอบถ้าถามตอนที่เลิกแล้วก็จะไม่ได้คําตอบถ้ายังไม่มีใครถามก็ให้พิธีกรนําเอาคําถามที่ทางบ้านฝากถามมา คำถามจากทางบ้านจากคุณนัฐศิทธิ์หากเรานำย่ามพระที่ขอจากท่านมาใช้เป็นกระเป๋าจะดูไม่เหมาะสมและผิดไหมครับคือย่ามมันก็เป็นย่ามจะเป็นของพระหรือของโยมเองแต่ว่าในทางสังคมเรามีการแยกแยะแบ่งแยกอะไรที่ใครควรจะใช้ใครไม่ควรใช้ แต่สมัยนี้โลกนี้รู้สึกว่าจะไม่มีการแบ่งแยกซะแล้วผู้ชายมีต้มหูก็ได้ผู้หญิงสักก็ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะว่ากันอย่างไรผิดถูกอยู่ตรงไหนเลยไม่รู้แล้วทุกวันนี้สังคมก็ไม่ถือกันแล้วงัว้นจะวาย่างไปใช้เป็นกระเป๋าก็มันก็ไม่ผิดกฎหมายเองแต่ว่ามันมันไม่เป็นสิ่งที่เราเคยทำกัน ของที่เป็นของพระเรามักจะไม่ไปแตะถ้าเราเป็นคารวาสของที่เป็นคาราวาสพระก็ไม่ไปแตะดั้นเราแบ่งแยกโซนกันอย่างชัดเจนแต่สมัยนี้มีความคิดเห็นแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาว่ า, าทํำยังไงก็ได้ทำไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําความเสียหายอันนี้ก็จะเป็นการลด ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ควรไม่ควรก็จะอยู่แบบลักษณะของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเขาก็ทำไปตามความอยากความต้องการของเขาเขาไม่แยกแยะว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นพี่เป็นน้องเวลาเขามีการมารมณ์เขาเสพได้กับทุกคนที่อยู่ใกล้เขา พราฉะนั้นถ้าเราอยากเรายังอยากจะรักษาสถานภาพของผู้ที่มีสติปัญญาของมนุษย์อยู่เราก็ควรที่จะรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะแสดงว่าเราไม่มีสติปัญญาระดับของมนุษย์เรากำลังอยู่ในสติปัญญาระดับของเดรัจฉานคำถามจากคุณชง โยมได้รู้จักแม่ชีคนหนึง่งจากนั้นก็ติดต่อกันทางไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่ชีบอกบุญสร้างสาลาพร้อมอุโบสถโยมก็ให้ส่งทองกรถิ่นมาเพื่อจะร่วมบุญและขอเบอร์บัญชีวัดที่จะโอนเงินเข้าแต่แม่ชีให้เบอร์บัญชีเธอมาบอกว่าวัดยังไม่มีเบอร์บัญชีโยมควรทําอย่างไรดีคะก็ไม่ต้องทาอะไรเฉยๆไป ถ้าอยากจะได้บุญก็ไปทำที่อื่นที่เรามีความมั่นใจไม่ถูกหลอกเพราะถ้าเราทำกับแม่ชีเราก็ไม่รู้ว่าเธอจะเอาเข้าไปให้กับวัดหรือไม่ถ้าเรามั่นใจว่าเธอเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์จะทำตามที่พูดไว้ก็ทำไปถ้าเราไม่แน่ใจกลัวจะถูกหลอกก็ไม่ต้องทำคำถามจากคุณสุภาพ เวลานั่งสมาธินานเลยหนึ่งชั่วโมงรู้สึกตัวหมุนแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่หยุดสักทีจิตก็ไม่รวมลงสักทีจนต้องเลิกนั่งจะทำอย่างไรถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้คะนั่งมาได้หนึ่งปีแต่ก็ผ่านจุดนี้ไปไม่ได้สักทีคะ่ะเวลานั่งต้องมีอะไรกำกับใจต้องมีพุทโธกำกับใจหรือมีลมหายใจคอยกากับ ถ้านั่งเฉยๆแล้วไปดูอะไรที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิผลที่จะเกิดจากการนั่งสมาธิก็จะไม่เกิดอย่างนั้นถ้าต้องการนั่งให้เกิดผลจากการนั่งสมาธิต้องมีเครื่องกากับใจมีกรรมฐานเช่นมีมีพุทโธหรือมีลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจก็เรียกว่ามีพุทธานุสติ ถ้ามีลมหายใจก็เรียกว่ามีอานาปนานสตินี่คือการนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องมีอะไรกำกับใจต้องมีสติมีที่ตั้งของสติจะมีพุทโธเป็นที่ตั้งก็ได้มีลมหายใจเป็นที่ตั้งก็ได้ถ้ามีแล้วก็จะควบคุมความสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจไม่ให้ปรากฏขึ้นมาได้แล้วใจก็จะว่างจะสงบจะเย็นจะมีความสุขได้ คำถามจากคุณกุ้งชุติมาทตาดิฉันตั้งใจว่าเข้าพรรษาปีนี้จะตั้งใจไปฟังธรรมและปฏิบัติภาวนาให้ได้อย่างน้อยทุกวันพระพอดีพี่ชายกับแม่จะไปกราบหลวงปู่ท่านเป็นพี่ชายของพ่อท่านบวชมานานแล้วจนญาติโยมมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีปฏิปทา หน้าเคารพบูชายอย่างมากพี่ชายกับแม่จะไปออกพรรษาที่นั่นและท่านก็แก่ชรามากแต่วัดก็อยู่ไกลพี่ชายว่าท่านอาจจะอยู่อีกไม่นานอยากให้เราไปด้วยแต่ดิฉันตั้งใจแน่วแ่ว่าจะปฏิบัติอยู่ทางนี้แม้จะได้มากบ้างน้อยบ้างว่างปั๊บก็อยากเข้าวัดทันที การที่ดิฉันไม่ได้ไปกราบท่านด้วยจะเป็นการแสดงถึงความไม่กตันยูหรือไม่ระลึกถึงบารมีของหลวงปู่ไหมคะเพราะตั้งใจว่าก่อนออกพรรษาซึ่งเป็นช่วงพักงานพอดีอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่ไปเป็นประจำและอยากอยู่จนถึงวันออกพรรษาค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไม่เป็นการกรตันยูหรือเปล่า ก็อยู่ว่าท่านมีบุญคุณอะไรกับเราหรือเปล่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปแสดงความกตัญญูกตเวทีกับท่านหรือไม่ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแสดงก็ไม่ไปก็ได้แต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องไปก็ควรจะไปคำถามจากคุณไฟมินิดเมื่อเราบรรลุธรรมแล้วเช่นเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเราจะเทียบกับอะไรครับ หรือรู้ได้ด้วยตนเองไหมครับ เ, เราต้องรู้ด้วยตนเองเป็นสันทิทโตเป็นของที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะไปคาดคะเนได้ยิ่นไม่ต้องกังวลขอให้กังวลอยู่ที่การปฏิบัติของเราจะดีกว่าว่าเรากําลังปฏิบัติอยู่หรือไม่ถ้าเรามวนมานั่งคาดคะเนไปจนวันตายก็จะไม่ได้ผลที่เราต้องการถ้าเราไม่คาดคะเนเรามาตั้งใจปฏิบัติ ทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดเดี๋ยวก็เราก็จะได้ได้แล้วเราก็จะรู้เองว่าจะต้องทำอะไรต่อไปคำถามจากผู้ฝากถามการที่ต้องทำงานกับหัวหน้าหรือเพื่อร่วมงานที่ไม่มีความยุติธรรมทำให้รู้สึกไม่ชอบและไม่อยากทำงานด้วยแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนงานได้จะต้องใช้ธรรมะแบบไหนที่จะช่วยให้ใจยอมรับได้คะ และจะแก้อย่างไรไม่ให้โกรธคะก็พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ฝนจะตกไม่ตกเราสั่งไม่ได้แ่ยจะออกไม่ออกเราสั่งไม่ได้เขาจะมีความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ให้มองอย่างนั้นแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบาย ัััันกกกบบบที่่เราอยู Dad. คําถามจากผู้ฝากถามมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนูโกรธแต่คราวนี้ไม่ได้พูดระบายความรู้สึกโกรธแต่พยายามระงับอารมณ์ด้วยการไม่ิคไม่คิดถึงคนที่ทำให้โกรธสักพักอารมณ์ก็เย็นลงแล้วก็เห็นคุณค่าของการไม่พูดไม่แสดงออกตามอารมณ์แวบหนึ่งหนูก็คิดว่า หนูควรจะขอบคุณคนที่ทำให้หนูรู้สึกโกรธไหมคะเพราะเขาหนูจึงได้บทเรียนเรื่องการระงับอารมณ์โกรธก็ขอบคุณเข้าไ ป, ไปในใจก็พอไม่ต้องไปขอบคุณต่อหน้าเขาเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้อะเดี๋ยวหาว่าไปไปประดกดันเขาอีกหมดแล้วเหรอ ใครต้องการถามก็มาที่สาลานี้ได้นะมาที่ไมโครโฟนถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีนี่ก็มาได้มาได้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะเลิกประชุมขอโอกาสเจ้าค่ะน้ัมศการเจ้าค่ะขอโอกาสเรียนถามว่าถ้าถ้าเราถ้าผู้นำบุญบางคนนะเจ้าค่ะ เขาเป็นสีเทาๆ เ, เป็นพาณิชย์เกินไปอย่างเงี้ยสหภาเราควรจะวางใจกับเขายังไงดีอ่ะสหภถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปหาผู้นําคนอื่นเลยนะสหทําบุญทํากับใครก็ได้ทําที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทํากับคนนั้นคนนอบุญอยู่ที่การเสียสละของเราเออเราไปเลือกทําของเราเองก็ได้ เราไปทำด้วยตัวเราเองก็ได้ก็ได้ไม่ต้องให้คนกขานำเราอย่างวันนี้มาก็เราก็มาทำที่นี่แล้วจค่ ะ, ะแล้วแล้วคือธรรมดาเนี่ยยังยังยังติดในบุญอยู่ยังงกในบุญอยู่แต่ว่าก็ก็อยากจะภาวนาเจ้าค่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันหรือว่าเราต้องทำไปทั้งคู่พร้อมๆกันนะเจ้าค่ะก็ถ้าจะภาวนาได้ก็หยุดการทำบุญไปก่อนก็ได้เพราะการภาวนานี่มีประโยชน์มากกว่า พอเงินเก็บไว้เฉยๆก่อนก็ได้จะทําเมื่อไหร่มันทําได้ง่ายยกให้คนอื่นเขไปปุ๊บก็ได้บุญแล้วแต่ภาวนานี่มันยากกว่ากว่าจะได้ผลนี่มันต้องใช้เวลามากดังนั้นถ้าเราอยากจะภาวนาเราไปภาวนาเลยบุญนี้เราแขวนไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้บุญก็มีอะไรก็ทํามันหนเดียวไปเลย มีเท่าไหร่ก็ทุ่มไ ป, ไปตเต็มหน้าตักไปเลยแล้วก็ไปภาวนาเลยแล้วก็ไปภาวนาเลยนั่นแหละวิธีที่ถูกต้องตอนเดี๋ยวเกิดเกิดตายไปปุบปับจะได้มีบุญรอเราอยู่ถ้าไม่ได้ทำงานที่เราเก็บไว้จะทำบุญก็ยังไม่เป็นบุญ ส, สาธุเจ้าค่ะครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง a c e b o o k live นะครับคำถามได้จากคุณตาล น, นะครับสติ และจิตคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับเราควรกําหนดสติหรือกําหนดจิตเพื่อให้เกิดปัญญาครับคือคําว่าจิตนี่ก็คือตัวรู้ตัวคิดสติก็คือการดึงตัวรู้ตัวคิดให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรียกว่าสติคือการดึงตัวรู้ดึงจิตให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธอันนี้เรียกว่าสติส่วนตัวจิตนี่ก็คือตัวคิดตัวรู้นะ คิดโดยไม่มีสติก็ได้รู้โดยไม่มีสติก็ได้เช่นคนบ้า น, นี่เขาก็มีเขาก็มีจิตก็ก็มีความคิดเขามีความรู้แต่เขความรู้ของเขารู้แบบสเปะสปะรู้แบบไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเหมือนกับคนเมาสุราอย่างนี้ไปแบบไม่มีสติคิดไปแล้วก็ทําอะไรไปตามความคิดโดยไม่รู้สึกตัวว่ากําลังคิดอะไรกําลังทําอะไร คำถามจากคุณวิยาดานะครับจะทาอย่างไรให้พ้นทุกโดยไม่ยึดติดกิเลสคะก็จะพ้นทุกได้มันก็ต้องไม่ยึดติดใันกิเลสนี่ถ้าไม่ยึดติดกิเลสมันจะมันจะพ้นทุกได้อย่างไรเพราะตัวที่ทำให้เราทุกก็คือกิเลสนะงั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกเราก็ต้องฆากิเลสเท่านั้นนี่แหละการฆากิเลสนี่ไม่บาบรับรองได้ไม่ต้องกลัว ถ้ายังอื่นบาปแต่ค่ากิเลนนี่ไม่บาปคำถามจากคุณรัตนาพรนะครับทําไมถึงมีพบคะทำอย่างไรถึงจะไม่มีพบเพราะมีความอยากมีความยึดติดเนี่ยยึดติดในร่างกายเพราะมีความอยากใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆพอร่างกายนี้หมดสภาพไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ได้พบใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ คำถามจ้คุณแสงสว่างนะครับการทำจิตให้ว่างได้บุญใหม่เจ้าคะได้เลยบุญสงสุดก็คือจิตที่ว่างนี่แหละคำถามจ้าคุณปราณีนะครับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วจะยังรู้ไหมว่าเป็นญาติเราอยู่บางคนเขาก็รู้บางคนก็ไม่รู้อยู่ที่สติอยู่ที่ความจำของเขา บางคนเขาจําได้เขาก็มาเข้าฝั น, นมาหาเราได้หรือ เ, เวลาที่เรามีเรานั่งสมาธิเราเราสามารถรับรู้วิ ญ, ญญาณของผู้อื่นได้เขาก็จะมาติดต่อกับเราได้เชน่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านเคยที่ท่านมารณภาพท่านก็เข้าไปในสมาธิของลูกศิษย์คือคุณแม่ชีไม่ชีอะไรจำชื่อไหมแ ม, ม่ชีแก้วคือนั้นแม่ชีแก้วก็เตรียมตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะไปกราบ หลวงปู่พอเห็นว่าท่านจะใกล้มรณภาพแล้วก็เตรียมตัวจะออกเดินทางไปในตอนเช้าคืนนั้นท่านนั่งสมาธิหลวงปู่ท่านก็เสียไปพอดีหลวงปู่มั่นท่านก็มาเข้าในสมาธิของแม่ชีบอกว่าไม่ต้องมาหาเราแบบป่าก็ไม่เจอตัวเราแล้วเจอแต่ซากของเราคือเจอแต่ซากศพคือร่างกายของท่านแต่ตัวท่านนี้ท่านไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการ เป็นเรื่องของผู้ที่ตายไปแล้วว่าจะจำได้ไม่ได้จะติดต่อกับใครได้หรือไม่ได้ก็ก็เป็นอย่างนี้อยู่ที่ผู้รับว่าเรามีเครื่องรับหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเครื่องรับเราก็ไม่สามารถรับเขาได้คือถ้าใจเราไม่เคยสงบใจเราไม่เคยหยุดคิดเลยมันก็ไม่มีช่องให้เขาเข้ามาหาเราถ้าเราสงบเราหยุดคิดเขาก็จะมีช่องที่จะเข้ามาหาเราได้ ซึ่งอาจจะเป็นช่องที่เราเวลาช่วงเวลาที่เรานอนหลับแล้วอาจจะหยุดคิดช่วงนั้นก็จะมีช่องว่างให้เขาเข้ามาหาเราได้ถ้าเขาอยากจะมาหาเราแต่ขณะที่มีชีวิตเขายังไม่มาหาเราแล้วเวลาเขาตายเขาจะมาหาเราให้เสียเวลาทำไมถ้าเราไม่มีอะไรคําถามจากคุณสิทธีนะครับช่วงหลับ ช่วงนอนหลับจะเจริญสติไม่ได้ขออุบายธรรมพระอาจารย์ก่อนที่จะนอนทุกคืนว่าถ้าพุทโธจนหลับไปเกิดเสียชีวิตระหว่างหลับโอกาสจะไม่ไปอบายมีหรือเปล่าคะเวลาเสียชีวิตนั้นจิตมันก็จะตื่นขึ้นมาทันทีก่อนจะตายมันจะต้องตื่นมันไม่หลับและเวลานั้นบุญกับกรรมที่เราได้ทํามามันก็จะเป็นตัวที่จะ จัดการกับจิตของเราว่าจะให้ไปอบายนึอให้ไปสวรรค์ฉะนั้นเรารีบทําบุญให้มากกว่าบาปไว้นลวเวลาตายมันบุญกับบาปมันจะพาเราไปเองถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะพาเราไปอบายก่อนอยน่นถ้าเราโกว่าเราจะไปอบายก็ทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําคือละการกระทําบาปทั้งบวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม เรารับรองได้ว่าเวลาตายไปก็จะไม่ไปอบายอย่างแน่นอนคำถามจากคุณอยู่กับปัจจุบันนั่งสมาธิจะสงบเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะกลางวันไม่เคยสงบเลย ท, ท, ทั้งที่เงียบเหมือนกันเพราะธรรมชาติของเราเรามักจะใช้จิตทํางานในช่วงกลางวันมากมันเลยไม่มันเลยยากต่อการทําให้มันสงบ แตช่วงกลางคืนนี้เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้มันทํางานเท่าไหร่ยิ่งเฉพาะช่วงที่เราตื่นเช้ามืดขึ้นมานี้ยจิตยังไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่ในช่วงนั้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายกว่าแต่ก็ถ้าเราจําเป็นจะต้องนั่งเราก็ต้องนั่งมันไปช่วงไหนก็นั่งมันไปมันก็สงบได้ถ้าเรามีสติที่มีกําลังมากพอแต่มันก็จะยากง่ายกว่าการเท่านั้นเอง คำถามจากคุณธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาผมสวดมนต์ก็จะตีแผ่เมตตาก็ดีทําความดีก็ดีอย่างนี้บุญจะถึงพ่อแม่และสัพพัสสัตถ์ไหมครับและเวลาผมเดินบิณฑบาตผมท่องบทแผ่เมตตาและได้นึกถึงสัพพัสสัตถ์อย่างนี้มีผลอย่างไรไหมครับก็อยู่ที่ว่า การกระทำของเรามันมีผลหรือยังบางทีเราทำไปแล้วเราคิดว่ามีผลแล้วแต่ความจริงมันยังไม่มีอะไรก็ได้เพราะผลที่จะได้รับมันต้องชัดเจน mm hmm. เช่นจิตเรารวมสงบนี้มีความสุขอย่างนี้แล้วก็สามารถแบ่งความสุขนั้นให้กับผู้อื่นได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ผลแต่เพียงแต่เราได้ทาแล้วเราแผ่ไปเราก็ไม่รู้เราแผลอะไรไปเพราะเราเองยังไม่ได้รับผลแล้วเราจะแผล ผลที่เราได้รับให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราได้รับผลหรือยังแต่วิธีง่ายที่สุดก็คือไปทําบุญทําบุญปั๊บมันก็ได้ผลทันทีพอถวายเงินบอ่อยจากเงินซื้อข้าวซื้อของทําบุญไปปั๊บใจก็มีความสุขขึ้นมาทันทีอันนั้นได้เห็นผลทันตาแต่ถ้ามาด้า จะเริญมาแผ่เมตตาเรายังไม่รู้เลยว่าผลของการแผ่เมตตาเป็นยังไงแล้วเราจะเอาอะไรไปแผ่เอาเราเอาอะไรไปแบ่งให้เขาอย่างถ้าอยากจะแผ่เมตตาถ้าอยากจะบูรทิดบุญนี้ไปทําบุญไปซื้อของถวายพระดีกว่าใส่บาตรไปอย่างนี้บุญเกิดขึ้นทันทีแต่บุญที่เกิดจากการภาวนานี้มันง่ายมันไม่มันไม่ง่ายมันยากบางคนภาวนากันมาเป็นสิบปียังไม่ได้ผลเลย แจะออะออไไไรไปปผุ่ทิศคำถามจากคุณแก้วนะครับจิตมีความไม่พอใจในบางเรื่องทําให้หงุดหงิดจะทําสมาธิก็ไม่อยู่นิ่งมีวิธีดึงสมาธิให้มาที่พุทโธวิธีไหนบ้างครับเคยใช้วิธีสวดมน์พอจบบทก็เป็นเหมือนเดิมก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัว เวลาที่น่ากลัวเวลาเครื่องบินจะตกเนี่ยสวดกันอย่างเดียวไ ม, ไม่ไม่ไปคิดอะไรถ้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยมันไม่มันไม่สวดมันขี้เกียจมันมันไม่กลัวต้องหาความกลัวมาขยาใจมาไลา่ใจให้ไปสวดมนให้ไปพุโทโธกันพระปฏิบัติท่านถึงชอบไปหาที่น่ากลัวอยู่กันเพราเวลาเกิดความกลัวขึ้นมามันก็จะสวดอย่างเดียวจะพุโทโธอย่างเดียวจะไม่กล้าส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่น พอพอไม่คิดอยู่กับการสวดเดี๋ยวเดี๋ยวจิตก็สงบคราบถามจากคุณเจการทำสมาธิพอเรานึกพุโทโธแล้วเราจำเป็นต้องมีฐานจิตไหมครับถ้ามีเราจะมีวิธีหาฐานจิตไหมครับไม่ต้องหาแล้วถ้ามีพุโทโธเดี๋ยวพุโทโธมันพาไปเองถ้าอยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นเองคาถาม จกคุณเีระชาติหากหมดบุญจากการเป็นเทวดาแล้วจะมีโอกาสลงไปสู่การเป็นเดระชานโดยไม่ผ่านมนุษย์หรือเปล่าครับมันก็ต้องผ่านจุดศูนย์ก่อนจากบวกจะลงไปลบได้มันก็ต้องไปที่ศูนย์ก่อนนะจุดศูนย์ก็คือจุดที่เกิดของมนุษย์เนี่ยจุดบวกก็ที่เกิดของเทวดาจุดลบก็เป็นที่เกิดของเดระชานแลว สัตที่อยู่ในอบายทั้งหลายดังั้นมันจะมันจะข้ามศูนย์ไปไม่ได้มันต้องไปแวะที่ศูนย์ก่อนพอไปถึงศูนย์ปั๊บมันก็มาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วพอมาทําบุญทําบาป พ, พอมันไปติดรบเทนีิเวลาไปก็ไปอบายได้แต่ถ้ายังติดบวกอยู่ก็ยังไม่ไปตายไปก็กลับไปเป็นเทพก่อนดังนั้นพยายามทําบุญให้มากกว่าบาปมันก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถึงแม้บาปที่เคยทำมามีอยู่มันยังไม่สามารถที่จะแสดงผลได้เพราะว่ายังไม่มีโอกาสเพราะบุญมันมีกำลังมากกว่าบุญมันจะแสดงผลก่อนอยู่เรื่อยๆยันทานี้ไปแบบองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนต้องกาวยเก้าสิบเก้าคนพี่แกรีบเร่งรีบสร้างบุญอย่างเดียวไปถึงพระนิพพานเลยก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาใช้บุญที่ไปฆ่าคนมาต้องเก้า้อยเก้าสิบเก้าคน คำถามจากคุณชานนเมื่อนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปสักพักหนึ่งเกิดเวทนาขึ้นที่ขากลายเป็นเหมือนท่อนเหล็กกดทับขาอีกข้างไปมาแต่รู้สึกไม่ปวดทรมานรู้สึกแต่ที่ขาเราควรทำอย่างไรต่อไปครับเกิดภาวนาต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บของร่างกาย ถ้าไปสนใจเดี๋ยวใจของเราจะเครียดขึ้นมาเราจะไม่สามารถภาวานาเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่ไปสนใจเราภาวานาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เข้าสู่ความสงบแล้วพอสงบแล้วใจก็จะสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายคำถามจากคุณชูชยัยบางวัดให้คําแนะนำว่า การที่สามารถทำจิตว่างว่างเฉยๆยังไม่พอต้องเจริญปัญญาต่อหมายความว่าอย่างไรครับก็เขาไม่รู้ไงคือเขาอาจเขาหมายความว่าความว่างที่ได้จากสมาธินี้ยังเป็นความว่างชั่วคราวถ้าอยากจะให้ความว่างนี้ถาวรก็ต้องเจริญปัญญาเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมาความว่างจะถูกความอยากเข้ามาทำลายถ้าเราไม่อยากให้ความว่างนี้ถูกความอยาก ทำลายไปเราก็ต้องใช้ปัญญาทำลายความอยากพอ เ, เราทำลายความอยากได้ความยากความว่างที่เราได้จากสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไปกลายเป็นความว่างที่ถาวรถ้าเราสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้และการทำลายความอยากนี้ก็ต้องเจริญปัญญาใช้ปัญญาถึงจะสามารถทำลายความอยากได้คำถามจะคุณสุ ก, กี้ เป็นคนกลัวสัตว์เลื้อยคลานมากจะต้องทำใจเช่นไรเพื่อจะละซึ่งความกลัวนั้นเวลาเจอจะได้ไม่กลัวก็อย่าไปคิดถึงมันเวลาเจอมันก็ให้พุโทโธพุธโทโธไปอย่าส่งจิตไปหาสิ่งที่เรากลัวถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วใจเราก็สงบถ้าเราเห็นมันเราก็หลับตาอย่าไปมองอย่าไปมองสิ่งที่เรากลัว ตาใจไปคิดถึงมันก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธไปหลับตาไปเดี๋ยวจิตสงบจิตไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวความกลัวก็จะหายไปคำถามจะคุณกันนพัฒนถือศีลแปดแต่ยังดูเฟซบุ๊กถือว่าผิดศีลไหมคะถ้าอยากจะเคร่งคัดจริงๆก็อยากไปดูอะไรเลยเปิดตาสำรวมตาหูจมูกเล่นกาย อย่างที่วัดป่าบัร า, าท่านห้ามวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆหนังสือพิมพ์ไม่ต้องการให้ใจออกไปรับรู้เรื่องภายนอกทางตาหูจมูกนิ้งกายเพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบคำถามเจ้าคุณอ น, นงนุษย์พระอรหันต์ท่านยังมีดวงจิตแต่ท่านไม่ไปเกิดโยมเข้าใจถูกไหมเจ้าคะ ก็ดวงจิตของทุกคนเนี่ยไม่ไม่มีวันสูญเน่ยไม่มีไม่มีการที่จะทำลายหายไปไหนได้จิตนี้ไม่ตายเพียงแต่ว่าจิตนี้จะไปมีร่างใหม่หรือไม่มีร่างใหม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีร่างกายอันใหม่ก็เป็นจิตของพระอรหันต์จิตของพระนาคามีถ้าไปมีร่างกายอันใหม่ก็ยังเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นพระอรหันต์ คำถามจะคุณลิตาถ้าเราใช้เงินของเราที่หามาได้โดยสุจริตไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้เป็นหนี้เป็นศินทำบุญบ้างตามสมควรปฏิบัติบ้บางเก็บเงินไว้ยามแก่เก็บไว้ให้ลูกหลานด้วยกินอยู่ทำงานไปเรื่อยๆ แบบนี้ถือว่าเราทำตามกิเลสไหมคะแล้วแบบนี้เราจะมาเกิดในแบบเดิมๆไหมคะหรือถ้าเราพอจริงๆเราควรหยุดทําเรื่องทางโลกแล้วปฏิบัติจะดีกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วเราจำเป็นต้องยกทรัพย์สินให้เป็นทานให้มากไหมคะก็ถ้าเรายังทําแบบเดิมๆอยู่นี้เราก็ยังทํากับกิเลสนั่นแหะ ถ้าเราอยากจะทําแบบไม่ได้ทาแบบกิเลสล้วก็ต้องทําแบบพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายทํากันท่านก็เลิกใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆแล้วท่านก็ไปบาเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเพื่อทําใจให้สงบเพื่อกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วท่านก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป คำถามฝากถามจากคุณหมอกรฟนะครับข้อที่หนึ่งหากนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วปวดหลังสามารถนอนกำหนดจิตสวดมนต์สมาธิได้อนิสงหรือไม่คะจะได้อนิสงหรือไม่อยู่ที่ผลถ้าทำไปแล้วจิตสงบก็ได้ผลถ้าทำไปแล้วจิตไม่สงบไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันอย่างั้นก็ผลจะได้มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งหรือท่านอน ส่วนใหญ่ที่นั่งกันเพราะว่ามันจะไม่หลับกันถ้านอนแล้วมันจะหลับแล้วมันจะไม่ได้ทํางั้นพยายามหลีกเลี่ยงท่านอนไว้ยกเว้นในกรณีที่เจ็บไขยได้ป่วยนั่งไม่ได้ก็ยังสามารถสวดมนต์ได้ภาวนาได้ในท่านอนแต่อุปสรรคมันจะมากกว่าคือนิวรมันจะเกิดขึ้นง่ายความง่วงเหงาเหานอนมันจะเกิดขึ้นง่ายแล้วมันจะทําให้การภาวนาของเราล่มเหลวไปในที่สุด ข้อที่สองในยามที่ชีวิตพบอุปสรรคทางธุรกิจบริวารหรือการเงินการทำบุญกุศลอย่างไรจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยอนิสงของบุญใดคะด้วยการทำใจยอมรับทำใจได้ใจก็สงบมีความสุขไม่ทุกข์กับเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น คำถามจากคุณชูชัยนะครับการเจริญปัญญาคืออย่างไรครับคือการเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรไปอยู่คนเดียวไปบวชไปอยู่คนเดียวไปแบไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอาหารตาสาวทั้งหลายนี่คือผู้ที่มีปัญญา ผู้ที่ขาดปัญญาก็จะอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่กับลาบยศสรรเสริญเพราะคิดว่ามันเป็นสุขคิดว่ามันเป็นของเท่งแท้แน่นอนคิดว่าเป็นของของเราคำถามจากทาง YouTube จาก Last a กั a นะครับ <c oughs> uh, จากคุณโทนี่โรมิโอนะครับ Good afternoon อาจารย์ My question is what can I do to get past the fear of death There are two two steps to get rid of fear of death. The first step is when you have fear of death, you should stop thinking about it by using some some form of diversion, like reciting the name of the Buddha. Keep repeating Buto Buto Buto continuously until you forget about death. Then your fear of death will temporarily disappear. Second step: After you have temporarily uh, get rid of your fear, when you are able to think uh, properly, then you should look at death as something like a natural process, like the rising and the setting of the sun. Look at the body like the sun. The body, according to the Buddha, isn't you. Your body is the gift from your father and your mother. You only—you are the receiver of the gift. You are not the gift, so the body is not you. So there is no need to be afraid that you will die with the gift, with the body. Try to look at the body as a gift, something that is given to you by your father and your mother, but it's something that you will have to lose it one day, because the body is not permanent. The body, once it is being born, it will get sick, get old, and die. So if you use this truth to, tell, to teach your mind, your mind will then will not be afraid, because your mind will know that you you r e not dying with the body. You're still alive after body is dead. So there's no need to be afraid of death, because you you can never die. The mind can never die. if you can see this truth and accept this truth then you will not be afraid forever. หมดแล้วเหรอหมดครับอาจารย์ก็ uh. อพอดีคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ